都是。 พยายามชี้ให้ดูอย่างเดียวนะมันไปฟังดีๆจะพยายามชี้ให้ดูอย่างเดียวให้รู้จักจะต้องพวจารณายากจริงๆครับือเขาไม่เคยดูเขาก็จะพยายามถามพยายามที่จะให้เราตอบทุกเรื่องน่ารอดต้องทําอย่างไรต้องทําอย่างไรอันนี้แต่ทําที่รมันก็ไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็บอกเขาทําไม่ได้เขาก็บอกตัวเองว่าทําไม่ได้แล้วจะให้เราให้เราบอกว่าหาวิธีทำอย่างไร แต่นี่เ็นความไม่เข้าใจอันนี้ก็ถูกแหละนะก็ทําไม่ได้จริงๆเขาพยายามอยากให้มันว่างอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงอันนี้เราก็มาเน้นกันนะเนี่ยถ้าพูดคุยไปเจะเลยไปเรื่อยไม่อยาลืมปัจจุบันนะลองบอกมาดูเดี๋ยวนี้เนีพอเห็นพารู้สึกว่างเลยดีขึ้นเยอะเลยพอเห็นพารู้สึกว่างเลยงอนพอชี้ปับกลับไปที่บ้านตื่นเช้าเมื่อเช้าเนี้มันละเอียดขึ้น นี่แหละนี่แหละเรอาอจะดีขึ้นจะเข้าใจ อ, าอะไรขึ้นก็ยังติดเพ่งกับติดสุดไม่เป็นไรอันนั้นเลิกมันยจะมันจากมันจะมันจะหมดไปได้พอรู้รอันนี้นะ่ะนะแล้วจะหมดเองคือนี่นะพอเห็นจิตว่างนี่ยมันจะเป็นญาณเขาเรียกว่าเป็นญาณญาณแบบว่าเส้นไป น, นะพอตัวรู้ตัวเนี้ยมันจะหมดไปเลยนะดูให้ดีๆนะเนี่ยไม่รู้ไม่จังอะไร นื่นจริงครับมันจะหมดปีนนะ่ะเขารู้นะมันจะหมดปีนซึ่งมันไม่เคยเป็นมาก่อนอะไรมันจะขกาะไม่เก็ดมันจะขกาะไม่ได้เลยเนี่ยทำไมสันเปีจจะไม่รู้เลยอยิงงงมาติดก็ได้ยิงเลแล้วทีก็ฟังคดเอ้ยยาญานยาแกนยานยาญานคืออะไรคืออาการที่ประสบความสิ้น เ, เอ้หลงไอ้เขาก็ด้เจ้าจั่นเนี่ยเนี่ยเรียวเดียทำมาจากยาญานเกิดขึ้นแล้วกแกเรา ปัญญาเกิดเจอแต่เรานี่ยญาตดวงปัญญาตัวปัญญานี่มันเป็นตัวความเห็นความรู้แต่ตัวญาตนี่มันสิ้นไปเลยนะพอรู้แล้วมันสิ้นไปนะเนี่ยมันไม่ใช่ของคิดไม่เกิดเลยนะคนละอันนะแต่ว่ามันสองอันมันช่วยกันอ่ะครับมันรู้แล้วมันหมดไปเลยอ่ะ แต่เนี่ยมันหมอมันจะพูดให้ชัดมันพูดไม่ได้ออกมันดูมันพูดให้เป็นรูปเป็นร่างมไม่ได้มันต้องรู้เองนะต้องเห็นตัวเอ ง, เอ ง, อองมันดูบ่อยเลครับดูบ่อยเนี่ยพานี่ยสังเกตเรื่องนี้เดี<ม>๋ยวก็เพื่อจะมา่มวเพื่อจะมาแนะนํากันนะเพื่อจะมาชี้ให้ดูกันนะแล้วชีวิตก็กลายเข้าโลกแล้วใช่ไครับ แต่อันนี้มันดีอย่างว่าเนี่ยอาจได้เ ป, ปรียบพี่กองดีตรงว่าโอ้เนี่ยเราอายุมากอย่างเนี้ใช่ไหง ผ, ผ่านชีวิตมาเยอะทั้นทีพูดคนก็อาจจะก็มีความคนก็อาจจะรับฟังมากขึ้นใช่ไหมผ่านเย็นผ่านร้อนเาพอสมควรแต่ น, นี้ไม่ใช่นั่นแต่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนครับใช่ไหมก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ เอาหนาทางนี้ทางนั้นให้มาดูตรงนี้จบได้พูดเท่าไหรเท่าไหร่ก็รู้โพด่ตรงนี้ยรู้ตรงนี้พูดกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วพูดเรื่องอื่นมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่อย่างนี้มันไม่มีเลยจะไปเขียนดันเืล อ, อะไรมันไม่มีโอเขียนดันเซลเล่มหนาๆแต่อ่านอ่า น, านดูโอบจับไม่รู้จะจับไปตรงไหนได้ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนใช่ไหมพอมารู้นี่จะรู้ในจุดเริ่มต้น ใช่มมันเริ่มเห็นเลยพอมาเห็นนี่มันเริ่มเห็นกว้างใช่ไหครูอย่างเงี้ยนะใครเห็นมาแล้วมันก็จะต้อนะยมันต้องเห็นอย่างเดียวกับมันต้องมันเดียวันมโป่งโล่งก็เนี่ยเราอย่าลืมอันนี้ที่มันโป่งโล่งก็ไม่มีอะไรเราก็อย่าลืมอันนี้นั่นอ่ะเราก็มีอันนี้ป็นญามียาปัญญาลู่ เจอบ่อยมันแต่มันไม่รู้ตัวอะไรแล้วก็อย่าลือาลมอันนี้ น, น, นนะฮะให้เขาไปส ต, ต, ส ต, ติสติแปลว่าไม่ลืมอันนี้คอยระลึกเขาว่าระลึกรู้อันนี้อันเดียวกันใชมครับคอยระลึกรู้ก็คืออย่าให้ลืมถ้าถ้าระลึกอยู่มันก็รู้อยู่มันก็ไม่ลืมอันนี้นะถ้าลืมอันนี้มันก็ไม่มีส ต, ตินะอันเดียวกันสังเกตอยู่ ก็ อ, อย่าลืมอะถ้าคนลืมอ่ะอันเนี้ยประโยชน์มันสูงสุดเลยโวกาสเสื่มมั้งไม่มีทางอ่ะบเพรามันรู้แล้วมันจะรู้เรื่อยเรื่อยอย่างนีที่เสื่อมพ่อเนอี่ยไม่มีเสื่มอันนี้เห็นอันนี้อันนี้เป็นของจริงอะถ้าเห็นอยู่อย่างนี้วันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ ว, ว่าที่ที่เรารู้ที่เราเห็นอันนี้สิเราดูว่าต่อเ น, นื่องหรือเปล่าใช่ครับตอนนี้ถ้าเราไม่ดูถ้าไม่รู้มันก็หมดไปมันก็ไม่เห็นอะ ใช่ไหและนี่เราจะเอาว่าเอออย่างนี้มันไม่เที่ยงไม่ได้ไม่ใช่จะหมายถึงว่าเราดูที่สิ่งที่เราถูกรู้อันเนี้ยที่ว่างไม่มีอะไรอันนี้ยมันจะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะดับเลยหมายความว่าอย่างนี้แล้เสียเลยก่อนแล้ในความรู้สึกของจิตใจเอานั้นมันจะถูกปรุงแดงอยู่เรื่อยเป็นเรารู้สึกรู้สึกเห็นม้นั่นเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ใช่นั่นไม่ใช่สัจธรรมนะเนี่ยความรู้สึกนึกคิดไปเรื่อยเลย ปงแต่งไปเด้วยเป็นเรารู้สึกอะเนี่ยพอเห็นภารู้สึกมันเอคือทุกผูง่ายๆว่ามันว่างเน่ยว่างอาจจะอาัตตาโดดตอนนั่นเองถ้ามือใดยังมีอาัตตาโดดตอนนั้นมันก็จะมีฝาไม่เที่ยนเป็นอนนี้จังทุกขังงนะฝามีอยา่างมีอาการอย่างนี้แต่ถ้าไปเห็นอันนี้ว่างอันนี้มันมายถึงว่าภาวะเดื่องคือหมายถึงว่าภาวะที่ไม่ถูกปรงแต่งอันนี้มีอยู่ในทุกๆคนแตนี้เนี่ยถึงว่าให้ ให้เกิดปัญญาให้เกิดแสงสว่างเพื่อให้เห็นอันนี้ได้แล้วเราจะเข้าใจหมดเลยจริงๆเนี่ยหลวงพ่อมาเห็นอันนี้แล้วมาถึงจะเห็นธรรมเข้าใจหมดอลยออหเห็นนี้แล้วดูไปดรื่อยแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วมันจะเปิดเผยเองอะ่ะเราก็ยังพยายามเออจะเห็นอะไรไม่ไม่ถามไม่ใช่อย่างนั้นก็เห็นทีเดี๋ยวนี้แล้วพอใจทีเนี้ไม่มีทุกข์ก็พอแล้วดูไปคิดไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็อะไรอะไร ก็หมายถึงก็จะรู้อดีตด้วยอนาคตนั่นเองนะอนาคตหรืออดีตที่เราผ่านมาเนี่แหละคําว่าะระลึก ช, ชาติได้อ่ะหมายตรงนั้นนี่มไม่ใช่เป็นระลึกชาติประชาติก่อนแล้วเกิดก็หมายในปัจจุบันเนี่ย<ม>ใช่ไหมที่เคยทํามาผิดถูกอ๋อเนี่ยเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ตัวจะไปเกิดเป็นอะไรลายสารพัดหมดฮะ เกิดเป็นยักษ์เป็นมารเกิดเป็นพรมเกิดเป็นเทวดาบานทีก็เกิดเป็นสัตว์นรกใช่ไหมมันจะคล้ายๆกันแะครับที่บอกวโลกคือหมูสัตว์เนี่ยไอ้นี่คือหมูสัตว์เยอะแยะเลยะคือมันจะเหมือนกับทำที่เขาจะเป็นพรหมลูกฟักบางทีเขาคิกว่าเขาอยู่ในความว่าแต่เขาทําด้วยสมถานะแต่ก็มันก็ไม่คิดเหมือนกันมันถูกกดข่มได้ แล้วก็ละสังขารไปเนี่ยตัวนี้มันทีมว่างมันว่างเหมือนแค้นพ่อฮะสมรมะแต่ที่บอกว่าขอธรรมสถาเข้าชานครับนิ่งว่างไม่คิดเขาก็ทําได้เป็นสมาธ<ช>ิได้นันว่ามันยึดอ่ ะ, อะมันยึดครับต้องดูให้ดีๆนี่นมันใกล้กันมากแล้วนั่นไม่ว่างแล้วนะคือมีทางยึดถือนะครตัวตนนะมีตัวตนใช่ใชแต่นี้ไม่มีตัวตนนะมันเป็นทางลูโอ้อย่างนี้อย่างนี้เองมันยากหมดเลย มันไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้ดูอะไรฮะไม่มีน่ะครับไอเนี้ยมันมีน่ะมันมีตัวตนมันมีเราว่าแตามันมีเราว่านี่เห็นไหมนั่นเราไม่เที่ยงครับตอนนี้ไม่เที่ยงตอนนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแน่นอนถ้ามีเราว่าเอ้าดูดูไปเดี๋ยวก็หมดใช่ไหมก็อย่างนี้อย่างนี้จะมีเราว่างกระเสือมได้ ใช่ใช่ก็มีในสามสิบสามสิเอ็ดคมอันี้คมสามสิบเอ็ดนะเนี่ยถึงว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เท่ยงหมดนะนะอย่างคมของคมนี่เขาเรียกว่าเขาบอกมีอายุเป็นหมื่นหมื่นปีแต่มันเสื่อมได้เท่านั้นเนี่ยครับแต่อันนี้ไม่สีเสื่อมใช่ปะมันจบแลมันไม่ได้พูดว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมครับมันหมดมันหมดภพหมดชาติอ่ะ มันสิ้นสุดอ่ะถ้าพมก็ยังจะว่างว่างไปมันหมดได้ไม่สงสัยอ่มันจางคายไปได้เ <c oughs> ห็นห อ, อันนี้เลือรูปประพมอะรูป <c oughs> <c oughs> ใช่นี่อยู่กับฟาร์มว่างไม่มีรูปเห็ <c oughs> ฟามว่างนี่ไม่มีรูป <c oughs> มันติดกบไม่ติดเาะนั้นมันแยกออกาตรงนี้ พระเจ้าทางอันแล้วที่ไหนอย่างนะทุกดาบทาละดาบทอันนี้นะเข้าไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้แต่พระเจ้าก็ไปทําให้เหมือนกับว่าเนี่ยอย่างนี้มันไม่มันมันไม่ใช่อ่ะเห็นไหมมันไม่หลุดพ้นน่ะก็ไม่หนะมีความรู้สึกว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันพอนี่พอเะนั่นเขาเห็นอันนี้มันเห็นนะมันหลุดพ้นมันล้นมันพ้นมันหลุดนะ ว่าอันนี้มันหลุดมันมันหลุดมันทนนอันนั้นมันไม่มันไม่หลุดมันไม่พ้นนะมันมีการเข้าไปเสพอยู่อ่ะฮะเนี่ยต้องมาคุยกันอย่างนี้แล้วเชี่ยดูแล้วจะไปฟังข้างไปวงว่างจิตใจแล้วดูก็ยังครับ ก็จะเห็นได้เนี่ยพออะไรนะเปิดฟังแล้วก็จะแล้าก็ดูเราเรื่อยๆกาจะเห็นทีเห็นทีไม่เห็นข้อสาคัญจริงจเรื่องสติมากๆเนี่ยดูฟาพรู้สึกดูะใจก็ว่าว่าเห็นภาพบ้านอยู่เรื่อยๆเหมือนกันให้ต่อเนื่องนะถ้าไม่ต่อเนื่องถ้ายังไม่ต่อเนื่อง มีหมันก็เห็น บ, <า>บ้างไม่เห็น บ, าบ้างถ้าตอ น, นเรื่องแล้ถึงเงี่ยแน่นอนเลยตอนนี้ขาดต่อไปพวกนี้อันนี้เราอย่าไปรู้ร่วมหน้าไม่ได้อย่าไปรู้ร่วมหน้าคร <นะ S 2> ับนะัับนคือควังก็ฟงังไปไม่รู้ช่างแล้วอย่าไปคาคะแนนว่ะหรือไปจินตนาการาอะไรว่าค ง, ง, งเป็นอย่างนั้นคงเป็นอะไรอย่าไปคิ้ารณาเวลาเอามาดูเดี๋ยวนี้เไม่มีทุกข์แล้วมันมัน จะไปถึงจุดนั่นเองนะครับมันจะไปรู้อันนั้นเองอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวใช่เนี่ยหลวงพ่เทงพูดเดี๋ยวแล้วจะไปรู้ล่วงหน้าไม่ได้หรือไปคาดคณ์อะไรไม่ได้นะทำตามรู้สึกรู้สึกนี่ไปเรื่อยเๆแต่ก็พูดให้ฟังก็ฟังแหวนนะพอถึงเวลาหน้าเราได้แล้วก็เหมือนอย่างท่าเราอ๋อที่หลวงพ่อเทงแบบอยเข้าใจอย่างเงี้ยมาเป็นที่โทษถูกเพราะหลวงพ่อเทงให้โทษอันนี้ แล้วว่ามันหลุดมันโคดมันขาดออกยากแค่ผ้าอย่างนี้สีดำให้เข้นยังไงเนี่ยไปจุมมันไม่อิเขาเนี่ยไปย้อมยังไงมันก็ไม่จิดอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นผ้าก็หมายถึงความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกพูดถึงได้แท่แบกแท่ตรงข้างอะแบบั้นใช่ไหมใช่ไหม อย่างตอนหนุ่มๆถ้าอะไรยังไม่นานพอคิดถึงจะปับ๊บทันทีเลยใช่ใชอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมาทันทีเลยลุกเป็นไฟทันทีเลยใช่ใชใช่เนะใช่ครับใช่แต่รอนนี้พอไปนึกถึงยางไงนก็ไม่เป็นนี่นะมันไม่เกิดอ่ะต อ, อนี้ไม่ได้แป๊บเดียวทันทีเลยตัวนี้มันม <t> ตัว น, นี้ตัวนี้ผมยังไม่ได้มันจะมารู้ตัว มัมันมันรู้ตัวนะเคยได้อยูเคยได้เคยผ่านอยู่พอมันก็อย่างี้กลังสนุกอยู่เนี่ยพอรู้สึกอันนี้ละหมดเลยพอรู้กพุเงินไม่มีเลย่เลยความอร่อยนั้นหมดเลยใช่ใช่เคยเป็น่แต่ตอนทางานพตอนทางานเนี่ยมันต้องอ่านมันอ่านมันต้องอ่านต้องคิด เป็ผมเนี่ยทํางานใช้สมองตลอด <c oughs> คืออันนี้ถ้ามาเห็นอันนี้แล้วไม่มีปัญหาไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่นเลยอย่าไปอ้างอันนั้นว่ามีอันนั้นแล้วเห็นอย่างนี้ไม่ได้คือหรือเป็นไปไม่ได้อย่างเนี้ยเนี่ยอย่าไปส่วนมากอย่าไปเข้าใจอันนั้นทาไ ป, ไปเรื่อยๆเรดูแต่ว่าเวลาทำงานขอให้เราเน้นรินนี่นะจงกรมสร้างยันวาอันนี้สําคัญจัง แล้วแต่จะถนัดนะสร้างจังหวะถนัดถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทําได้ถ้าได้ด ส, อสองอย่างก็ทำทั้งสองอย่างไปครับเดี๋ยวจะคิดว่าต้องต้องทำสองอย่างแล้วเราก็ต้องไปฝืนใจทํานี้ไม่ใช่นะเราทําแล้วแต่อย่างใดยอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นไปเพื่อเน้นพยายามให้เห็นความรู้สึกอันนี้อยู่ถ้าเห็นความรู้สึกมันไปยวบไม่มีอะไรเราก็จะเห็นว่าอะไรก็จะขอเกิดไม่ได้เนี่ยดูอันนี้เราจะเห็นได้โขาเข้ารู้อย่างนี้อะไรอะไรก็เกิดไม่ได้ แล้วก็ทดสอบดูดิพอรู้วันนี้อันนี้ว่างว่ามันไม่ติดมันไม่ยึดต้องเห็นนะนะความรู้สึกมันไม่ติดไม่ยึดนะแล้วเจนนี้เป็นนึกถึงอะไรไม่มีทําให้เกิดยินดีแล้วเกิดไม่ได้อย่างจริงนะอย่างนี้แล้วอย่างเนี้ยที่บอก์ทำกลางงานอะไรแต่เราจะมีเราจะคิดนึกอะไรแต่อะไรมันจะทําให้เราหนักอกหนักใจแล้วไม่ได้มันจะไม่เป็นยวี่ตกกังวลอะไรจะไม่เป็นมันเป็นมันไม่ใช่ความคิด ที่คุณทาอยู่มันเป็นความคิดมันก็จะหนกักหัวรู้สึกมันหนักอ่ะแต่อันนี้ถ้าเราเห็ น, นมันจะโป่งเบาเรื่อยเลยอันนี้ต้องจับอันนี้ภาวะอย่างนี้ให้ได้เราต้องอยู่กับภาวะอันนี้นะับ <ๆ S 1> เนี่ยถึงว่าเนี่ยเราเป็นไปเวลาปฏิบัติวันวันก็เป็นค่อยดึงชี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เทพสิแตแกรู้สึกสบายไหมาาหายใจเข้าออกก็โป่งเบาเนี่ย พวกอันนี้รู้อันนี้ก็นี้รู้อันนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องสิแล้วไปทํางานคุณจะไม่พูดแต่ครั้งนี้ว่าไปทํางานเราต้องคิดมากต้องต้องวางแดดแผนให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องสินะครับแล้วนี่เราทำให้ต่อเนื่องเออเราก็รู้นี่ว่าอย่างไหนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไปปฏิเสธอยนะถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่ทศเนี่ยทาบายินได้เด่นได้ควังแล้วไปทดลองทํามันก็ไม่ได้ให้เชื่อสลงพ่อเชื่อได้ยังไงก็ จะเชื่อแล้วมันไม่เป็นอ่ะนะก็ไม่ต้องเชื่อแล้วก็ไปทด ล, ลองทำดูอ่ะก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรต้องลงทุนที่ไหนอ่ใช่ไหม ต, ต้องลงทุน ล, ลงแรงเอ่ะถ้าทําถูกเนี่ยมีแต่ความสบายแรงอะไรนี้่ไปอยู่ในเยเื่ตัวสบายนแน่ทำไมทำงานนะนนเดี๋ยวนี้เลืลมสบายมีความสุขป่ะมีสุขแต่ไม่ใช่ไปติดสุขไม่ใช่ไปมุ่งหาความสบายนะครับแต่รู้เป็นไปก็ให้กลายใจให้เป็นสมดุลนะฮะมันสบาย อย่างนี้นะฟัาให้ดีๆนะไม่ใช่ไปมุโอ้เพืเอ่อไปฟ้าหาความสุขไม่ใช่ธรรมดามันไม่สบายใะพอมารู้ก็โอ้รู้จักแล้วเพื่อให้กให้สบายใจสบายให้มันเป็นไปเพื่อสบายแล้วคงรู้ต้องเห็นอันนี้ครับแต่ที่แรก ม, มันไม่เป็นนะหลอกหลอึในี่ ม, มันไม่เป็นนะเออยัง ไ, ไงสบายแต่มันอยากจะนิดเดียว ดูไปเรื่อยๆมันจะรู้จักขึ้นมันจะชํานาญแค่ไหนโอ้มันก็จะมากขึ้นมันจะสะสมอ่ะนี่คราบวัพด์ภายในอ่าวเหรียญซับเหมือนเงินทองอ่ะแต่เราไม่มีอ่ะครับแล้วพอได้มาห้สิบาทสิบาทเนี่ยนะมีค่าไหมครับนะมีเปรียบเทียบอ่ะถ้าเดี๋ยวนี้ร้อยหนึ่งสองร้อมีความหมายเนี่ยฮะแล้วถ้าเยอะๆล่ะเป็นหมื่นเป็นแสนไปไง เป็นร้านอะไนี้เห็นนะไปทำอะไรก็ได้มาเนี่ยอันนี้ไอ้ข้าวหรูบนนี้เนี่ยไซซับแนะมันยิ่งกว่าซับแมะยิ่งกว่าซับใช้ไม่หมดเลยอะ่ะไอ้ซับนั่นหมดนะซับขายนอกเนี่ยไม่ใช้มันหมดได้นะจริงๆใช้ยิ่งมากเนะี่ยไม่หมดเลยนะครับไม่มีทางสูญหายเรามีแต่เพิ่มขึ้นอันนี้เราถึงว่ารวยะรรนะใช่ไ่มตั้งมั่นไหมจะตั้งอยู่ตรงนี้ไหมจะเอาอย่างอื่นไหม จะทิ้งไหพอเหนันี้จะงอันนี้นี่แหละเาไตั้งนั่นนะตั้งนันมั่นใจอันนี้โอ้นี่เห็นแล้วที่ยึดานงเราโอ้นี่ที่พึ่งของเราเนี่ยที่พึ่งอันนี้ใช่ไหมนี่ไม่หวั่นไหวจริงๆใครยัพูดไงยังไม่หวั่นไหวเพราะเราเห็นของเรานี่ยังไม่หวั่นไหวเลยใช่ใช่่้ถ้าไปศรัทธาแบบเดย ผู้เฒ่าโอ้ผู้เฒ่าอย่างมือนแ ล, แล้วก็มีแต่กสาวไหวอ้อนวอนบอโอ้คงจะช่วยอะไรเนี่ยชาวไทยมาพูดอะไรแว บ, บใจมันเนี่ยมันไม่เห็นใจจะหวั่นไหวเลยอะ่ะแล้วของเราถ้ามัยังไม่เห็นอันี้นะใครมาพูดเอะที่เราเห็นที่เราเพียงจะรู้อ่ะยังไงจินตนาการถ้าความคิดโอ้ชักลังเ ล, ละแล้วะเคยไหมบางทีเราคิดโอ้อันนี้ไม่มีถุกอกข์พอมีใครมาพูดเรอย่างอื่นก็นั่น ใจมันเสียไปเลยทีใช่ไหมมันเตะไปเลยเนี่ยแล้วศีลของกูไดน้นวดงามเป็นที่สนรเสริญที่พอใจของพะรียเจา้าเนี่ยเราคิดว่าพระิยเจ้าที่ไหนก็ต้องบูชาพอใจมั้จิตใจที่งดงามจิตใจที่ปกติเนี่ยที่บอกว่าว่ายตัวเองได้นหน้ากากหน้าไหวจะเห็นโอ้โอจิตเนี่ย หลวงเทียน อ, อกนี่เราเป็นพระแล้ว mm hmm. นะ <laughs> ไม่ใช่พระเพราะต้องมาให้อุปัชารับรองไม่ใช่เ็รียกคนไม่เข้าใจก็คิดว่าอุปชาบวชให้บวชเสกให้เป็นพระคนเข้าใจ น, นี่ก็เข้าใจอั mm hmm. นนี้สวดให้สวดให้มันเป็นพระที่จริงมันเป็นการรับรองอะไรนี่หมู่สงฆ์รับรองไม่ใช่อุปชาอุปัชานี่มันเป็นอาจารย์ที่สอนอีกทีใช่ไหม <laughs> ความเริ่อมใสของผู้ใดมีในพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงนี้ต้องตรงดเวยนะไหมความเริ่อมายของผู้ใดมีในพระสงฆ์ะสมก็ไม่ใหญ่ที่ไหนไม่ใชระสง์อย่างนี้ก็ที่ตัวเองที่เราปฏิบัติเหน็นนั้นนั้นะคือผสม น, นั่นแหละนั่นแหละผลที่เราเห็นนั่นแหละผสมนั่นแหละเป็นสาวกนั่นเองไม่ใช่ผสง์อย่างนี้ศรัทธาอย่างนี้ เนี่ยความเข้าใจที่เข้าใจผิดไปหมดเลยนะ ừ ừ. าาก็จะกลับมันโอ้ยอยู่ที่ตัวหมดเลยนะเ น, นี่ยบัณฑิตเขาเรียกโขนัานเขาว่าคนไม่จนถ้าคนอื่นจะรู้ได้ใครจะมาประเมินให้เราได้เราต้องเห็นว่ามันไม่จนจิตใจแล้วรู้สึกแล้วไม่จนใจทําอะไรก็ไม่จนใจนะมันมีทางออกอะมันไม่ตัน <S 2> <S 2> อ, อ่ะมันก็จะไม่มีทางที่หนักอกหนักใจไม่ว่าอะไรมีปัญหาอะไรมันทะลุผุพองหมดมันไม่ทุกข์ับ มันไม่เป็นปัญหาวะารับนะก่อนมันต้องคบคิดอย่างนี้มันไม่จะไปคบคิด่ะนะสิเดียวทะลุหาทะลุต้นแทงได้มันไม่มีติดขัดอะไรเลยนะเป็นไม่เป็นเ็ฟังไปแล้วก็ถึงเวลานั่งเลาเขาจะนะเพราะมันมีหลักฐานอ้างอิงเนี่ยนะนะเนี่ยบัณฑิต กล่าวเลียดเขาผูนั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นหมันเชืนะ้อศิษย์เจ้าชีวิตของเขาไม่เป็นหมันถึงว่าเกิดมาไม่เสียชาเกิดนะคือความหมายอันนี้ขยายไหมไม่เป็นโมฆะบุรุษที่พรเจ้าดาหน่าไหนวะดาแอบพระโพอธิละเนะมั้ยสอนลูกสิษตัวขาเป็นธารขันไปหมดเยอะแยะเลยแต่ตัวเองไม่ได้รู้อย่างนี้เลยโมฆะบุรุษ ใช้ไม่ได้อะใช่ปะเกิดงานเนี่มันใช้ไม่ได้เลยฮะก็นั่นละเขาไม่้เข้าใจเนี่ก็รู้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลิกได้ถิ่ทํามสายสอนพระเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาเสียงความเรื่มสายและเห็นธรรมเห็นธรรมเนี่ยเด่นเด่นเห็นทางต้องเห็นอันนั้นให้เนึองเนืองนั่นเองเห็นไหมได้ให้ต่อเนื่องหรือเนืองเนืองอันเดียวกัน ฟังคำสอนพ่อแล้วกอฟังนี่แหละในี่แหละมันไปเห็นแล้วอ่ะมันไปยโอ้โหมีคนคอนเฟิร์มผมมาว่าที่ผมฟัที่เห็นเนี่ยมันใช่คือผมไ่รู้แล้วละแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่ามันไม่แน่ใจอ่ะแต่พอพ่อมาเทศเนี่ยกวมันใช่อ่ะมันใช่กูไปพิสูจน์ไปเรื่อยๆพิสูจน์กับที่ด้วยเองอนี่ยยังไม่ต้องไปเชื่อพิพอสูจน์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันทนต่อการพิสูจน์นะตอนนี้<อ>น่่เ<ห>น <ละ S 2> ีย อย่าไปทึ่ทักว่าโอ้ใช่แล้วเราแค่นั้นเราไย่าย่งทาอยู่ที่พิสูจน์ไปเรื่อยๆต้องใช้ใช้เวลาพิสูจน์ศึกษาดูทนต่อการพิสูจน์เนี๋ยพอมาเห็นความรู้สึกแล้วดูไปคิดไม่ได้มันจะกระทุกแม่นี่ยังไปหลงทุกถ้าหลงกระทุกเนี่ยถ้าหลงแปดดีโรงจยุบันทุกทันดีแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ทุกเลยไม่มีทางทุกเลยแต่ถ้ากลับแปดดีปัจจุบันทุกแน่นอน มันน่ต้องไปพิสูจน์อย่างนั้นใช่ไหมอยู่กับการงานใครจะว่ายังไรรู้สิมันมันมันไม่สะเทือนมันอมามันยังไงไหมถึงมีเราก็ดูไปเรื่อยๆอ๋อเราจะครู้ใช่ไหมเพมันเสียหลักตรงไหนถทุกก็มันหลุใช่ถม้าเราต้องตั้งหลักยืนดียังไงใช่มัมยมนจะรู้ว่ามันบกพร่องตรงไหน แล้วพยายามจะจะต้องเสริมสร้างตรงเสริมสร้างอะไรก็ต้องรู้ตรงนั้นว่าต้องสร้างอะไรให้ดูรเรื่องเงือแใช่ไหมก็ ต, ต้องใช้เวลาใช่ไหมแต่ยาวอย่างหัวขอนี้มันถามมัน้อโอ้ที่เห็นอย่างนี้มันก็ยี่สิบได้หรือยี่สิบปียี่ส <20 S 2> ิบปีกว่าแล้วสติข้อสําคัญ่ะสติส ต, ต้องต่อเนื่องต้องเห็นความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเลย ทำไม่เผอเลยเมื่อนั้นน่ะมันรุดออกจาการปรุงแตงนี่ใช่ใ่ถ้ายังมียังมีรู้ว่าไม่รู้บ้างยังนะถึงจะเห็นอะไรก็เออมันก็ยังเห็นเป็นคนต้องมาเข้ายังบวันไหวได้หวนได้นะยังงอนแงนคลอนแคงอดีตอนาคตเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วคนเราจะอยู่กับอดีตอยู่อนาคตมันไม่อยู่กับปัจจุบันเลยอ่ะใช่ไหมใช่คนไม่ควรตามคิดถึงจีสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร แลวไม่เพียงพอถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงครับก็หมายถึงว่ามันจะอยู่กันนะบทที่เกา้า มันจะคิดแต่เน่มันจะคิดมันจะจะอยู่กับอดีตอนาคตไม่ไดรู้ปัจจุบันเน่ไปรู้เรื่องไปคิดแต่เรื่องอดีตอนาคตทั้งนั้นเลยไม่จริงเนี่ยรู้ที่เราเคยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆเคยเหความรู้สึกนี้วันก่อแต่ก่อนนี้มันไปรู้เรื่องวันทั้งวันทั้งวันไม่มีอะไรนานๆจะรู้สักทีเ่ยไม่รู้เลยแต่ก่อนแล้วก็ไม่รู้จักไม่รู้เลยทีไม่รู้เลยนะมะ นั่นนี่อันนี้ก็หมายถึงปัจจุันัญญาโดยธรมมะตถาถาวรวิปัสสติอาสานอิรังอาสานกุปปังต่างวิทาเวมนูหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะนาในที่นั้นนนั้อย่างแจ้งแจ้งไม่ง่อนง่ายคอนคานเขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้ก็หมายถึง้เนี่ยเคยประคับประคองอยู่ไงเนี่ยหลวข้่อจะเน้นอันนี้เลยนะแล้วคนเราก็มันก็ยัอยากรู้อะไรทอะไรไปเรื่อยก็จะมีคําถามมันเรื่อยๆจะยึดจุดไม่ได้เห็นไหม ใะ่ไหมไมยังไม่เห็นก็ต้นงเน้นยพอไปสุดท้ายพอเข้าใจถึงขชี้โ อ, โอ้นี่เขาถึงโอ้หลวงพ่อพูดตรงมางอะไรบ้างแต่มันไม่เป็นดูฟรรมมงดังเลยปลอดชีวิตนเนี่ยครามเพียรเป็นกิจที่ท้องทำอันนี้ใครจะรู้ความตาแนบพ่งนี้อความผัดเราจะเรียกเนี่ยให้มันเป็นสิงที่โอโ้อยู่สุดกต้องเนี่ย นะผู้นี้ผู้สงบจ่องเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรติทั้งเกียรติคานทั้งกางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงลาเตียนเดียวก็น่าชมอันนี้ก็มหมายถึงนี้ที่หลวงพ่อเพียรผู้คนนียเกิดมาทั้งร้อยปีพันปีก็เนี่ยพระเจ้าก็บอกนี่หรือบวชมันต้องร้อยพรรษาถ้าไม่รู้ตรงนี้มันไม่มีความหมายอะไรนะถ้ารู้อันนี้เกิดมาวันเดียวรู้ตรงนี้ก็โอ้โหมีค่ามีราคาที่สุดะอลยนี่ที่จริงแล้วธรรมะมันไม่มีเยอะเลย ใเรายิ <sc Ugh? S 1> ่งไปอ่านเยอะๆยิงไปแสวงหาเยอะๆยิ่งสับสนัปหมดเลยพรมารู้ตรงนี้มันจบหลวงพมาเห็นตรงนี้แล้วมันจบเลยเนี่ยเราต้องเห็นความรู้สึกของเรานะถ้าเห็นความรู้สึกของเราสงบอยู่อืออย่างนี้จะเกิดอะไรไม่ใช่เรารู้สึกเราเห็นต้องเห็นความรู้สึกเราสงบไม่ใช่เรา ก็เห็นธรรมะเห็นอย่างนี้เห็นภาวะอันนี้พูดในทางใจยากนะเองแตเห็นไม่ได้เป็นเรารู้สึกสงบเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้อันนี้มันมีเราอัเนี้ยตรงนี้มันจถึงมันถึงนี้ไม่เที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ที่เมื่อวานคุยกันตรงนี้ลเคือเราเห็นนะเราเห็นความสงบความสงบนั่นเราจะเห็นความรู้สึกของเราตัวเราเห็นอย่รงรู้สึกอย่างจรินตัวเราอยู่ในรู้สึกสงบ เด็นความรู้สึกสงกไม่ใช่เล่าสงบด้วยดีที่สุดไม่มีเล่าเห็นเขาทำต้องดูนานๆมาแต่เมื่อกี้ก่อนมาก็เดินเดินจบแล้วเขาจะเป็นตัวเราโอ้เขายังสงบนี่ฮะตรงนี้สาคัญมากตรงนี้สาคัญมากเลย เนี่ยหลุดพ่อจะหลุดตรงนี้เนี่ยหยลุดตรงนี้แล้วมัไปดัมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวไปเลยเนียตรงนี้แต่ที้บอกอ๋อโทษยาโมกย์หน่งคั้แบบแต่จริงจงมันง่ายๆมันไม่ยากลุกตรงนี้เนี่ยมันมันถ้ามันมันหลุดมันเห็ดเลยนะผมเข้าใจนะว่ามันมันรู้ตัวทันทีเลยว่ามันแต่สายภาพผมพ่อว่าผมยังไม่ถึงตรงนี้เดูเห็นได้ใช่ไหม พอเราอ่านใช่ไหอเราเป็นพเรารู้สึกใช่ไหมพอเรารู้สึกนี่มันจะตกมันเกิดขึน้นะพอเราเนามั น, นแ่วามันไม่ชัด้มัชัดีนี้นะครับปีนี้นนเขาเวลาไงแต่ก่อนไม่รู้จัอกอ่ะเาพัดไปพัดมาแล้วก็ไม่ได้เจริญอ่ะแบบนี้ไหมพอเห็นเรื่องผ่านไปผ่านไปแล้ก็ไม่รู้ว่ามันด้เจริญนะี่น<ใ>นไงเขามาเห็นชัดปีนี้มาเชียนี่ก็จะเห็นนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะสังเกตอันนี้ไม่ต้องทำอะไร ก็ดูเฉยๆสังเกตดูศึกษาครับอย่าให้มีอะไรเข้าไปแทรกเนี่ยเราเนี่ยคามเพียรเนี่ยเราต้องมีมเีเป็นเราออันนี้เรารู้สึกว่าต้องเพียรรู้อย่างนีมันมีเรามันก็เลยไปอันนี้มันก็เลยไปปิดเอาไว้มันมันต้องไม่มีอะไรลงไปแต่ดูเฉยๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้รู้รู้ได้เหรอแค่นี้พอแล้วที่รู้ได้เนี่ยต้องเพียรที่ไหนอไม่ต้องใช้ความสามารถเลย รู้ได้อยู่แล้วอ่ะก่อนผมเห็นยังงี้พี่นะปีประมาณปีสี่ห้าเี่ยผมเห็นความคิดของตัวเองเกิดขึ้นเลยนะพอเห็นปุ๊บมันจุดเห็นปุ๊บมันจุดเนี่ยมันก็ยังไม่หายอันนี้นะใช่ใช่เนี่ยผมไปโฉดผมละตรงนี้ผมเห็นความคิดแล้วอะพอผมเห็นเห็นดูทีไรอ้ํามันจุด้มันก็ยังไม่หายพอมนเห็นเนี่ยเนี่ยผมแล้วเป็นเรารู้สึกอ่ะครับผอ่านั่นอ่ะผมมีผมสิดกับพี่เนะก็มีตัวตนอ่ะ มยังปงแต่งได้มันยังปรุงแต่งได้ไปได้อยู่มันอยู่เหนือเหตุเหนือผลจะไปพูดว่าเหตุผลจะพูดไม่ได้เลยนะผมมันพ้นจากเหตุใลุงปอเปนเป็นคนมีความกระตุกคาดอย่างนั้นน่นนั่นนันเดียวไนั้นนั่นนันมาหลุดเองกันเลยมันหลุเองเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันยังปรุงได้อยู่มันยังไปได้อยู่อ่าหมไปได้ใช่ใช่เดี๋มาเห็นอย่างที่ลุงปอบอกเนี่ยมันหลุดเลยมันหลุดเลยอันนี้จริงเพราะว่าผมมันยังมันมันมันยังไม่หลุดมันเห็นแต่นยังไม่หลุดแล แล้วแต่นี้พอใจเยินได้บ้างแต่นี้ก็สังเกตไปเรื่อยๆเข็นชักเลยใช่ไหอแต่มันไม่หลุดออกมาก็ดูใเฉยๆดูกันเรืยๆเราอย่าไปดูว่าให้หลุดไปไปอย่าไปุ่วงหวังไปยให้มันหลุดอะไรอะไรอย่าไปดูอย่างนั้นนะอย่าให้มีใช้หลักสังเกตเลยถ้ามันไปทําอะไรไม่ได้หรอกมีตัวเราบางทีใช่ใช่ใช่เป็นองค์กรมก็มีตัวเราไปสึกคือให้ดูอย่างนี้ที่เรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราสงบแล้วเราก็ดูเทวิอาการที่เรารู้สึกสงบมันมี รบชาติไปเนยังไงลักษณะเป็นยังไงไดูอีกทีหนึ่นนงแล้วคำ า, า <c oughs> ดูเบาๆดูดูสบายๆด้วยครับ <c oughs> เป็นปกติอันนี้ก็เรียกว่าใช้สตินั่นเองมีสตินี่น <c oughs> คือเว่าจะมีผ้าปกตินะใช่ไหมให้เป็นปกติก็หมายถึงว่าเนี่ยยังไงเราสึกสบายสบายเบาๆก็ว่าจะสังเกตนี่จะเห็นได้ง่ายที่ที่แล้วหลวงพ่อจำพรรษาที่นี่มาได้ทุกวันนียที่ ผมเพิ่งรู้จักพ่อไม่กี่เดือนนี่เองเนี่ยเพิ่งพูดแบบเพิ่งเจอพอได้เดือนเดียวดึ้นจดหมายไปนะเนี่ยผมเพิ่งเนยเพิ่งเห็นสองวันเี้คุยทางโทรศัพท์จากด้คุยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ต่างกันนะกลับมาตางกันเยอะอย่างนี้จะไม่เหมือนงานที่คุยโทรศัพท์พต่พอฟังพอฟังมิสสารู้แล้ว ต้องหาให้ได้ต้องหาพระอาจารย์คนนี้เจอลูกแค่ไหนว่าโทรไปเลยอะโทรไปแล้วเจอดีใจแล้วไม่ได้หาง่ายนะไม่ได้มีทั่วไปใช่ใช่ใช่ใช่พรวัดไหนถึงจะเจอใช่ใช่ใช่คนที่อกวใช่แล้วเขบอกว่าใช่แล้วแล้วผมมาแต่ผมถึงมาแล้วผมมาเจออาจารย์พงที่นี่อนแรกผมมาผมมาถามหาพระอาจารย์สมบูรณ์ผอกวมีอยู่ไปกระบี่แลก็โทรไปหาท่านนะแล้วก็ ตอนท่านจะมาเมื่อต้นเดือนก็ยังไม่มาผมก็รอรอถึงสิ้นเดือนผมก็ตามมันเลยตามมาถึงเนี่ยที่เท่าที่ที่ที่ที่สังเกตอย่างนี้งี้เยอะพอให้เขาดูความรู้สึกเนี่ยเป็นไปด้วยสบายๆอย่างนี้คนก็ดีขึ้นอีกเยอะเลยเขาก็มีความสงกเย็นขึ้นยังไม่ต้องกลัวหรไม่ต้องหลุดพ้นมันก็ได้หลดับหนึ่งไปเยอะนะอ้าหมดสงสยัยมันไม่มีที่ที่ย่างให้สงสัยอะไรอีกเลยอ่ะ ใช่มแล้วเราก็ต้องดูไปเรืเร่อยๆมันจะหมดสงสัยไปใช่ไหมครับจะไปจะ ไ, ไปเคี่ยวเค้นหรือไปแครงขั้นอะไรไม่ได้หรอกครับมัค่อยๆเก่งค่อยๆไปเนี่ย น, นะดูแลครับ เอาที่สบายสบายายสบายอันนี้เย็นไปเรื่อยๆเราก็ดูที่ที่สบายเป็นไงารู้สึกเป็นไงเรสบายเป็นธรรมดาธรรมดาเหมือนกรต้องดูที่สบายเป็นไงไม่ใช่ว่าปกติสบายแล้วเราก็ไม่ดูเอต้องสังเกตด้วยที่สบายเป็นยังไงเราดูสังเกตดูอย่าลืมสังเกตกันแหละต้องสังเกตดูอันนี้จะสบายสบายแล้วก็ไม่สังเกตมันก็ไม่มันก็ไม่กล้าหน้า ตรงสติมันต่อเนื่องมาแหละพอมันสมบูรณ์มันต่อเนื่องปุ๊บเต้นรอเของมันครับแล้ว็นัดนานอะไรก็เปิดเสือหมดมันจะหมดสงสัยหมดเลยอะ่ะนะที่สุดแห่งทุก